ทุกตามเรื่องของมันแต่เราจะไปให้รูปเนื้อวิ่งกับความทุกข์ของจิตด้วยจิตที่มันวิ่งว่อนไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไปกับอาการของจิตมันก็ดูว่าเราไม่รู้จักลูบนำพยายามที่การเคลื่อนไหวแต่ละจุดแต่ละแห่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณา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 เป็นตัวกำกับการแสดงนะี่ดังนั้นว่าสติสัญญาเราก็ได้ศึกษากันมานานพอสมควรโดยเฉพาะสถิสัญญาที่เป็นแบบวิปัสนา <c oughs> แบบเคลื่อนไหวของหลพเทียนมันจะต่างจากน้อยจากต่างจากพุธโธเป็นสถิติญาติที่ที่มีมีกำลังที่สัมผัสได้นะไม่ใช่สถิติญาติแบบ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 การตรวจสอบจิตของเราว่าแต่ละขณะนะเป็นอย่างไรเวทนาทางกายนี่เราแก้ไขบําบัดได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการจะปรับอย่บเปลี่ยนในแต่ละครั้งเนี่ยเวทนาทางกายตรวจสอบแต่ละเวลาว่ามันทนได้ไหมนะซึ่งเรื่องเนี้ยเรามาค่ายเพื่อมาศึกษาตัวเองอย่างละเอียดทีทวน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 แต่ว่าให้จํากัดอยู่สถานที่ตรงนั้นอไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยนะถ้าหากพอเราเปลี่ยนไปตรงนิดเตัวนี้ น, น่อยแล้วก็เอาตัวเองไม่อยู่ก็ดูเหมือนว่าเราสนอตอบสน อ, องความอยากของเราเพราะฉะนั้นเองเมื่อเรากําหนดที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่จะ <c oughs> โยกย้าย <c oughs> อ่า เพื่อนไหวไปทางไหน <c oughs> ต้องได้รับการตรวจสอบหมายของว่าจิตก็ดีกายก็ดีได้รับการตรวจสอบแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเก็บกดแต่เป็นการศึกษาศึกษาเราต้องการความสงบความเย็นความผ่อนคลายความสบายเวลามันมีอาการที่ไม่สงบไม่ผ่อนคลายไม่สบายเราก็ย้อนกลับไปดู อาการนั้นนนั้นว่าเอ๊ะทำไมใจเราอยากจะทำางโน้นอยากจะเอาอย่างนี้แสดงว่ามันไม่สบายแล้วกลับไปดูกลับไปไปศึกษาในสานวนบาลีท่้งใช้ว่าปรึกษากับการัชกายหรือปรึกษากับนามกายคาว่านามกายคือปรึกษากับตัวสติตัวปัญญา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 เที่อากาันองอากาศไม่จัดขึ้นไปแล้วก็ควบคุมตัวเองได้นั้นเมื่อเราเข้าใจลักษณะอย่างนี้แล้วนี่มันก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นในการดูแลตัวเองว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อการความสงบต้องการความสุขต้องการผ่อนคลาย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 นะไม่เกิดอาการสนุกในการศึกษาเพฉนั้นมานี้เป็นเรียกว่าค่ายปรมาภาวนาไอการศึกษานั้นเป็นประมานะิเราทำด้วยการศึกษาเราไม่ได้ทำด้วยการต้องการอยากที่จะเอาศึกษาลงลึกในรายละเอียดในที่นี้เรากดเื่องภารกิจที่จะทำแบบทั้งบ้านออกหมดอ่ะ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 ผุมที่เรานั่งมันคือการเรียบเรียงของได้ทีลรเส้นเส้นเสือทีไรเส้นและเส้นและเส้นถูกถักต่อเข้าไปอย่างมีระเบียบอย่างมีเล็บบกลายเป็นผืนใหญ่ผ้าที่เราห่มเนี่ยเครื่องจักรมันก็เป็นการเรียงได้เพราะทีไรเส้นและเส้นและเส้นจนภาพผืนใหญ่แต่ถ้าโบราณก็คือเรียงเข้าไปทีไรเส้นพอสมัยใหม่มันเจริญแล้วมันเครื่องจักรมันก็เรียงทีละเส้นเหมือนกันแต่มันเรียงได้ไวตามระบบที่ตั้งไว้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 เราคิดที่เ <Fra> ก <il hum> <st Grey> <hum> like ิดแล้วก็ก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับไปแต่พอตีกันซ้ําๆๆมันเกิดตลอดนะมันเกิดตลอดความคิดคื่เหมือนกันที่มันความคิดได้ตลอดแสดงว่ามันมีการกระทบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆความคิดบางครั้งมันกระทบครั้งเดียวมันก็จบมันก็ตีละครตอนเช้าเราลัวซะก่อนเพ่งเว่งเวเ